เตะว่าต้องการความสงบในหมู่พระสงฆ์วันนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เจ้าภาพจะถวายกุติที่พักสงฆ์หลังนึงหลังย่อบย่อมหลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ทำใหญ่หรแต่รู้สึกว่าจะทำทันสมัยขึ้นคขา่ <c oughs> าทำทันสมัยคำนี้ก็คือตะกรนหลวงพ่อสร้างกุติเหมือนกับอยู่วัดปลาบ้านตาหลวงพ่อได้นาแนวแถวนั้น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 พระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นต่นี้ก็มาพูดยอดดีกว่าทำไมพระพายะจึงบวชเอหิภิกุไม่ได้ตามปกติพระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งนั้นอย่างประโกนทะยับพระประพัทยามาหานามะอจิชิปัญจวคีทั้งหานพอได้สำเร็จแล้วพระพุทธองค์เอหิภิกุอุปสมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทมและวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้ว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 แต่พระภายยะเนี่ยท่านไม่เคยขนขวายในการทำบุญไว้ในอดีตเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าเธอพ า, ายะเธอจงไป ส, สวยหาบริขารเถอะก่อนนะยังค่อยบวนนี่แหละอันนี้คือบุญกุศลที่พวกเราได้สร้างเอาไว้มาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายเยมื่อเรามีพอเป็นอาจาักกินพอมีอันจะได้สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์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 เราก็ยังได้แปลว่าใจเออเมื่อเรายังแข็งแรงอยู่เราก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเป็นที่ภาคภูมิใจจะตํ้หนิตนเองได้เพื่อภายหลังถ้า่าพวกเราทำแล้วเออเพียงพ อ, อ, อการสร้างบุญสร้างกุศลของเราเพียงพอเป็นไปได้ขนาดนี้หลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นะใจของเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขหลนะับพรในทีนี้นะ